1>, 1. วิวาทาทิกรในอาิกรสี่อย่างนั้นวิวาทาทิกรเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมวิวาดกันว่าหนึ่งนี้ธรรมนี้อธรรมสองนี้วินันนี้ไม่ใช่วิไน 3นี้ตถาคตพาสิทไว้ตรัสไว้นี้ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ 4. นี้จริยาวัดที่ตถาคตได้ประพฤติมานี้จริยาวัดที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 5. นี้ตถาคตทรงบัญญัติไว้นี้ตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 6. นี้อาบัตนี้อนาบัตเจ็ดนี้อาบัตเบานี้อาบัตหนักแปดนี้อาบัตมีส่วนเหลือนี้อาบัตไม่มีส่วนเหลือเ้านี้อาบัตชั่วยากนี้อาบัตไม่ชั่วยากความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่ง ความวิวาทความกล่าวต่างกันความกล่าวโดยประการอื่นๆการพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจการด่าทอในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าวิว า, าทิกร